มันก็เป็นภาระค่อนข้างมากะนะก็ชีวิตหนึ่งนะถ้าเราแบ่งนะชีวิตของเราเนี่ยหมดไปกับอะไรหมดไปกับเรื่องผมบ้างหมดไปกับเรื่องดูแลฟันบ้างหมดไปกับเรื่องเล็บบ้างหมดไปเกี่ยวกับเรื่องการอาบการล้างบ้างรักษาแผลทั้ง6แผลบ้างนะเ่รักษาแผลเก้าสิะนะรักษาเนะก้าแผลเนี่ยดูแลแผลตาก็ผิดแผลหูดูแลแผลหูก็ผิดแผลจมกูก ดูแลไปดูแลมาก็แผลทางปากอย่างลวลก็ดูแลแผลเหล่านี้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการบริหารกายนี้รักษากายนี้ดูแลกายนี้สิ่งที่เราไปหาทั้งหมดสิ่งที่เราไปไปแต่ละแห่งที่เราไปนะว่ารวมๆก็คือไปสแสวงหาสิ่งที่มาบำรุงกายนี้ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมพอเราเวลาเราจะไปไหนเราก็นึกถึงเรื่องอาหารนึกถึงเรื่องที่อยู่ที่ที่หลับที่นอน นึถึงก็วนๆทันๆอยู่กับกายนี่แหละซึ่งดูแลมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อฟังอะไรใช่ไหมมันมนสิการในความเป็นทุกข์สัตว์เอาไว้เยอะๆเถอะนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์เยนะเพราะว่าทุกทั้งหลายหรือสมุทัยแห่งทุกข์อ่ะนะก็คือความเพลิดเพลินในในชราและมรณะเพราะสัตว์ทั้งหลายที่ติดข้องก็ติดข้องในชรานั่นแหละ ก็ตอนเด็กก็เรียกว่าชาราใช่ไหมแต่ว่าชาราอ น, นั้นมันมันทําใจได้อะนะเป็นชาราที่เรียกว่าชาราที่ไม่ปรากฏแต่มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเพราะว่าคนชาราทั้งหลายนั่นแหละก็คือเด็กชายเด็กหญิงในอดีตก่อนหน้านี้ก็เป็นผ่านปานเด็กหญิงเด็กชายมาทั้งนั้นหละคุณบุญชูมีใบขับกี่จักรยานใช่หัหเขาประกาศชื่อบางเด็ก<ด>ชายบุญชูเลยนะ มีใบขับขี่จักรยานน่ะรุ่นคุณมูชูนี่มีใบขับขี่จักรยานะนะเด็กชายเนี่ยนะใช้ได้ตลอดชีวิตไปที่ไหนก็เก็บบัตรได้นี่ก็นึกวานึกว่าละอ่อนเน่ยนะเรียกว่ามาเอาบัตรประชาชนคืนแล้วออกมาเลยนะออกมาเอาแล้วอผมไม่น่าเชื่อเลยเก็เคยผ่านความเป็นเด็กชายเด็กหญิงตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะ ทีนี้ถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมถ้าเช่นข้าวกล้าที่หวานลงไปเนี่ยก็ยองง่อมเงาะเป็นสีขาวภายหลังก็จะเป็นสีเขียวแต่เวลาถูกลมคือชรากระทบแล้วก็เป็นสีเหลืองแม้แสดงหน่อมมะม่วงเป็นต้นก็เหมือนกันงั้นคนที่คิดเรื่องอริยศาสตร์เนี่ยนะเขาคิดถึงความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเนี่ยนะคุณโชคดีก็อาจจะมีเรื่องให้มาคิดเยอะๆเลยนะีย ต้นมาเดี๋ยในเดือนนี้เดี๋ยวก็ถอนเดียวก็ปลูกถอนก็เปลี่ยนไปเรื่อยนี่นะก็จำเป็นนิดก็ดอกไม้มันร่วงไปเรื่อยใช่ไหมก็ปลูกถอนดูแลอยู่นั่นแหละใช่เคยคิดว่าวันวันหนึ่ง น, นะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีชราพยาธิมรณะเป็นธรรมดาใช่ไหมง่วนครุ่นคิดหมกมุ่นคิดถึงแต่สิ่งที่มีชราแล้วมรณะเป็นธรรมดานะนะั่นแหละ พันเราคิดดูเถอะสิ่งที่เราคิดถึงแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโดยมากคิดถึงสิ่งที่มีชราและมรณะทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าทุกขารยาสัตว์ที่เห็นยากเพราะเราไม่มนสิการโดยความเป็นสัจจะแม้แต่น้อยนี่เขาเรียกว่าทุกขารยศสัตว์จึงเห็นได้ยากตัวมันเองนี่หยาบมากแต่ว่าไม่ยอมเห็นขนาดศึกษาพระธรรมมาอย่างนี้ใช่ไหม ตอนแรกเราบอกเออชาติกิดความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์โศกกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตก็เป็นทุกข์ฟังดูแล้วแหมเหมือนกับไม่ได้ยากอะไรเลยอริยสัจแต่ถามว่าเรามานัสสิการอย่างนี้ตลอดเวลาหรือเห็นความเป็นไปแห่งทุกข์เหล่านี้ตลอดเวลาหรือก็ไม่ใช่เราไม่เชื่อด้วยว่าไอ้ตามเห็นแบบนี้มันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์นนะไม่ไม่เลื่อมใสในปัญญาอันนี้นะปัญญาที่ตามเห็นชราและ มรณะเนี่ยปัญญาตัวตามเห็นชารานี่มากๆนะนี่คือข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาแม้แต่จะยอมรับอย่างนี้ยังยากจะกล่าวไปยายถึงเจริญนะนั่นะเพาะผู้ที่ยอมรับว่าการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งคนที่ฟังธรรมเยอะๆก็ไม่ใช่ว่าจะยอมรับสักเท่าไหร่นไะยอมรับไหมว่าคิดถึงเรื่องชาราและมรณะบ่อยๆนี่คือทางแห่งความพ้นทุกข์แม่ครูเชื่อก็ ว่าไงเชื่อนานหรือยังทุกวันนี้นะูคิดอย่างที่อาจารย์แต่ไม่ได้งานมาว่าดีเกษาเกษาสุทยเกษาแต่จะว่าจะจะอืมผอมคนเล็บฟันนั่งอ่าแล้วก็สอนพวกคุณนอวัดกันมม นลมพอเตียเจนี่เป็นลมแล้วกลับมาครับองนุ่นะเป็นลมตอนนี้ถูกะให้่นนั่นแหละก็ดีแล้วดีแล้วก็เนี่จานกรรมฐานแล้วนะเนี่ยไม่ธรรมดาละก็ไปแนะนำกันเยอะเนี่ยนะคือเพราะตัวที่พิจารณานะ เมื่อใดที่เราทั้งหลายเห็นคุณของการพิจารณาว่านี่เป็นญาณที่นําออกจากทุกเนี่ยนะนิยานิกรทธรรมนะตัวที่พิจารณาอย่างเนี้คือนิยานิกรทธรรมตัวที่นําออกจากทุกข์ถ้าเรามั่นใจว่านี่คือทางออกจากทุกจริงๆนะเราจะคุ่นคิดมากถ้าเรามีศรัทธาเลื่อมสายจริงๆแต่ว่าโดยรวมๆเท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยคนที่เลื่อมสายอย่างนี้มีไม่มากผู้ที่เลื่อมสายในอริยมรรในมรรนะ คือปัญญาที่ไปพิจารณาอย่างนี้มีไม่มากผู้ ก, การว่าไหมอันนี้ทำยังไงที่จะให้พิจารณาได้บ่อยๆอันนี้แหละเรียกว่าตั้งอัตตาสัมมาปณิทิเเลยว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจริญนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปคิดเนี่ยนะมันมานสิการอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ไม่พ้นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่มีชารากับ มรณะโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าใสา่ใจในชรามรณะเหล่านั้นบ่อยๆนี่ตัวตัวปัญญาที่พิจารณาตัวนั้นนั่นเป็นมรรคนั่นเป็นทางนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ครึที่เราศึกษาธรรม ะ, ะเราไม่เราลืมเราลืมจุดหมายปลายทางเราลืมวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะ เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในในตัวนี้เนะี่ยในขันห้านี่นะลืมไปครับก็ศึกษาไปศึกษาไปปรมัตธรรมใหญ่โตไปเลยดูมันเป็นเรื่องอีกจะต้อง อ, อลึกซึ้งจะต้องไปศึกษาอะไรมันลึกซึ้งมากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราลืมไปว่าการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยมันจะไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างหนึ่งละ่ะแล้วก็ศึกษาลึกๆ ล, ลงไปเนี่ยนะบางทีเราลืมมาศึกษาไปเพื่อที่จะให้เบื่อหน่ายใช่ไหมเช่นเรานึกไม่ถึงเลยว่าโอโ้โหนี่ย เอาวินิพน์โพก็รูปแนะมหาภูตา ร, รูปสี่มันเป็นยังไงไมายังไงเนี่ยนะบาที่ศึกษาไปจนกระทั่งลืมไปครับว่าอเออนะเพื่อที่จะไม่ให้มันไม่ไม่เข้าไปในติดตัวนี่นะลืมครับการศึกษาที่ไม่ไม่เอามาพิจารณาไม่เอามาเจริญอย่างแท้จริงเนี่มันก็เลกลายเป็นนักเล่นคำเ น, นี่ยนะทุกขาริยศสัตร์เอ่อถ้าสมมติเราพูดถึงคำว่าทุกขาริยสัต์เนี่ย ง่ายๆว่ะหรือคำว่าทุกเนี่ยย่อมนองเนคิดถึงอะไรก่อนถึึงขันเลยโอ้เจ้าตัวทุกมันทุกยังไงตัวทุกัทุกยังไงใช่ก็หมั่นใายใจนะ ถ้าคิดถึงทุกข์เนี่ยต้องมนัสิการว่าถ้าจะกล่าวให้ตรงๆแบบที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะอารมณ์อะไรบ้างที่เราคิดแล้วมันไม่เป็นทุกข์อ่ะไม่เข้าทุกขะทุกก็เป็นวิปริณามะทุกไม่เข้าวิปริณามะทุกก็เข้าสังขาระทุกข์แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีชาราและมรณะเป็นธรรมดาเพราะคําว่าชารากับมรณะนั้นนะใช้แม้กระทั่งในสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เพราะเป็นสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เนื่องจากนิจจะสัญญาเนี่ยเราก็นึกความเหมือนเดิมหรือสุขาสัญญาเนี่ยปิดบังหมดวิปลาสมันปกปิดมันเราก็ไม่ยอมมานศัศการตามสภาพที่เป็นจริงพอเริ่มมานศัศการตามเป็นจริงเอาเปลี่ยนเรื่องคิดอีกละเปลี่ยนหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกขาริยาศาสตร์ท่านเจงบอกว่าลึกซึ้งเพราะว่าเห็นยากเพราะเราไม่ยอมมานศัศการเลย ทั้งๆ ท, ที่อยู่ๆนะสมมุติเอาอย่างเนี่ยเห็นเกันอยู่เนี่ยมรณสิกานไม่นี่คือชรชราติทุกขนะพยาทิทุกมรณะทิทุกขแล้วทุกอย่างก็เกิดการเปลี่ยนแ ป, ปลงเกิดความเสื่อมสิ้นแล้วก็สลายไปเนี่ยนะแต่ว่าปรากฏในสายตาแก่ปุตตชนทั้งหลายว่าน่ายินดียปุตตชนทั้งหลายเข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปยินดีซึ่งไม่ไม่คิดว่านั่นคือที่ตั้งแห่งทุกเนี่ยนะ แต่ถ้ามานักสิการบ่อยๆนะัเห็นใครเดินมาก็คือโอ้โหกองทุกเดินมาแล้วหนอกองทุกเบิ่มเลยเดินมาแล้ะกองทุกไปอีกแล้วเนอเนี่ย น, นะก็ทุกหรือไปทุกก็แบ ก, กันคนละห้าหกสิติโลไปเถะก็ท <c oughs> ุกเท่านั้นอ่ะนะทุกทุกกิโลนลั่นแหละเมื่อวานนี้ตอนขึ้นนะผมกผ็ไปที่ร้านอาหารนะโอ้ร้านนั้นขายดีโอ้คนก็เยอะฝนตกมาครับ เนีท่ที่ที่ลานกนัที่เลาะจอดรถมันไกลใช่ไหมโอ้โหก็ทุกคนก็มาอ่อที่จะไปขึ้นรถเต็มเลยอนะผมเห็นคนโอ้ก็นี่มันทุกจริงๆนะจากการแสวงหาอาหารก็มันทุกข์จริงขนก็ตกอีเละเทอาใหญ่โตเลยนะครับ โ, โกราหนใหญ่เลยนะก็โอ้แล้เห็นทุกชัดๆเลยต่างคนต่างแย่งอาหารสั่งอาหารนะต่างคนต่างแย่งขึ้นรถแย่งร่มกันอะไรกันโอ้ แ, แย่งทุกกันนะจริงก็แย่งกองทุกกันนะนะแล้วผมก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งก็ตัวก็เพิ่มอย่างว่าเลยนะอ้วนเลยนะผมนึกเขาไม่รู้อริยสัจเลยนะผมนึกในใจต้องไม่รู้อริยสัจเลยอนยะ่านี้จะมีใครกี่คนครับที่รู้อริยสัจเธอแม่แต่คําว่าอริยสัจเนี่ยนะนะถ้าเกิดมาเราได้ยินกี่ครั้งถ้าเราเราคิดนะถ้าไม่เอามาเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะวันวันหนึ่งก็แทบไม่ได้ยินอยู่แล้ว แม้แต่ได้ยินอย่างยากจะกล่าวไปยัยถึงเอามาตรึกเอามาคิดเอามาพิจารณาแต่ก็ถ้าจำอะไรไม่ได้เลยนะว่าเนี่ยก็จำในความเป็นทุกขาริยศัตร์ก็ได้แต่ว่าแค่นี้ไม่พออยู่แล้วละ่ะแต่ว่าให้มันให้มันเป็นช่องทางเป็นประตูเป็นแนวทางเพื่อจะได้ไข้ครวนในอริยาัต์เนี่ยนะ ถ้าหากว่าเรานึกบ่อยๆนะ อ, อทุกคนยังไปหาชาติทุกชราทุกพยาที่ทุกมรณะทุกไปหาโสกะปริเทวะทุ ก, กโทมณอุปายาตกันทั้งนั้นเลยนี่นะเข้าไปหาสัมประโยคทุกขนะเนี่ยนี่ไปหาวิประโยคทุกนี่ไปหาชรานี่ไปหามรณะเนี่ยนะเพราะที่พระพุทธเจ้าก็แสดงอยู่แล้วใช่ไห้โลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนเพราะทุกคนก็เลยไปหาชราโดยธรรมชาติเราทั้งหลายวิ่งไปหาความแก่ โลกไม่มีอะไรนะโลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเพรา ะ, ะนั้นเราก็คือไปหามรณะแล้วก็โลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนะถ้ามันมีปัญหาก็ก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรอย่างอย่างแท้จริงเนี่ยนะผงเข้าตาเลยนะเขียออ่ยออกเองได้ไหมจริงๆก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรยิ่งใหญ่อะไรสักเท่าไร่เลยนะ มันภายในมันก็เป็นทุกข์ฉันใดาภายนอกก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ฉันนั้นแล้วก็พยายามนึกอย่างนี้บ่อยๆท่านนึกอย่างนี้บ่อยๆก็นําไปเพื่อเพื่อความเบื่อหน่ายแต่ถ้าสําหรับผู้ที่เข้าใจโดยความเป็นสัจเป็นต้นก็มาแยกโดยความเป็นรูปนะนะว่าประกอบไปด้วยรูปอะไรบ้างในสิ่งนั้นนะเกิดจากเหตุใดเกิดจากปัจจัยใด เป็นที่ตั้งแห่งขันอะไรบ้างก็ใครควรอย่างนี้บ่อยๆบยๆตัวพิจารณานะคือท่อปฏิบัติพิจารณาครั้งหนึ่งจเจริญหนึ่งครั้งก็ปฏิบัติหนึ่งทีจเจริญสองครั้งก็ปฏิบัติสองทีถามว่าจเจริญแค่ไหนจเจริญจนที่พระ อ, องค์ตรัสว่าทำรรมนุธย์มรรคปฏิปติใช่ไหมการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตระธรรมต้องจเจริญอย่างนี้จนสมควรแก่อริยมรรคเกิดขึ้นทีนี้อริยมรรกก็มี สีมรรคเนี่ยนะพิจารณาสัมมาทิฐิอย่างนี้เนี่ยเจริญอย่างนี้จนกว่าจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ปัญญาที่เจริญหรือปัญญาที่พิจารณาสัมมาทิฐิอันนี้เนี่ยถ้ามันพิจารณาก็เขาบอกว่าเอาปัญญาหรือสัมมาทิฐิอันนี้เนะเจริญอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเมื่อใดน้อเราจั้งหลายจะเห็นคุณของการเจริญอย่างนี้จริงๆ ถ้าเห็นคุณของการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าเราเนี่ยได้เลื่อมสายในในธรรมะที่เลิศนะเพราะอาริยมรรคเนี่ชื่อว่าเป็นธรรมที่ที่เลิศนั้นถ้ามันจเจริญเห็นคุณของการจเจริญการพิจารณาไปบ่อยๆในที่สุดก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้การพิจารณาเรื่องชรามรณะนั่นเป็นการพิจารณาเพื่อให้พ้นชรากับมรณะนั่นเอง โดยสภาวะของชรานะว่าชรานั้นมีความแก่ของขันเป็นลักษณะความแก่ของขันนะทั้งรูปขันนามขันทุกขันนั่นแหละมันแก่หมดแหละถ้ารูปประขันแก่กับนามขันแก่มันก็ถ้ารูปประขันแก่นามขันมันก็แก่ไปด้วยนะถ้ารูปประขันเสียหายเวทนาขันเนี่ยจะสุขได้ยังไงอย่างคนชรามากเนี่ยนะถามว่าความสุขในร่างกายกับความทุกข์ไหนมีมากกว่ากัน ทุกขากายญะวิญญาณก็มีมีมากกว่าคนคนวัยต้นๆเลยถ้าหากว่าทุกขเวทนาเกิดบ่อยเนี่ยนะสัญญาของเขาเป็นสัญญาประเภทไหนพยาปาถาสัญญานี่จะเกิดบ่อยเพราะโทสะนะนะอกุศลวิตตกก็เกิดมากสังขารขันที่เป็นอกุศลวิตตกก็เกิดมากจิตก็เป็นไปกับอกุศลจิตขออย่างเดียวอย่าเพิ่งจุติตอนนั้นก็นแล้วกัน นะต่อไปว่าชารานั้นมีการนำนาเข้าไปหาความตายเป็นกิจนนะนะหน้าที่ของชารานะพาไปสู่ความตายมีความพี่นาาแห่งวัยหนุ่มสาวเป็นอาการปรากฏน่นะความเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยนะอันนี้เป็นอาการปรากฏน่ะนะ <c oughs> อีกช่วงหนึ่งเขาเรียกพี่ใช่ไหมอีก่ว ง, งก็เรียกลุงป้านนะ้าอาอีกช่วงหนึ่งก็เป็น ปูเป็นย่าเป็นตาเป็นยายนะอีกนานๆเข้าเป็นทวดไปเลยคนนี้ก็แปรอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะมันลดลดลดคำว่าหมดตําแหน่งความเป็นน้องอ่ะนะตอนแรกก็หมดตําแหน่งความเป็นน้องตอนหลังลดตําแหน่งพี่ออกเหลือแต่ตอนหลังก็ลดตําแหน่งป้าออกตอนหลังก็ลดตําแหน่งอุ้ยออกอ่ะนะก็ค่อยลดไปเรื่อยเรื่อยเรื่องนี้เนี่ยะ คนที่อยากจะทดลองนะก็เดินเข้าไปในตลาดบ่อยๆเขาจะเรียกตามวัยครับเขาจะเรียกตามวัยคนเดีก็ไม่รู้จักเราใช่ไหมครัาเรียกตามวัยจริงๆใช่ไหมพอขับมาบ้านเขาจะได้เกาจะบ่นแล้เออที่เราแก่จริงๆแล้วนะเออเขานี่แก่แน่เพราะมาเรียกหลายคนใช่ไหะเขานี่เราแก่จริงๆได้ยินหลายคนพูดนะเพื่อนๆกันเนี่ยนะทั้ยินผู้ชายเนี่ยเออเขาที่ชัดแน่เพราะว่าคนไม่รู้จักทักไปแล้วกันนะแกไม่ จาอะไรเลยมาเรียกเราดินยายขนาดนี้ทศาัณฐ์เกินเลยเขาประกาศทุกขศาสให้ก็ไม่รู้อีกนะนะเขาเรียกฉันเนี่ยเขาเรียกลุกตาอันมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่านะพี่ยเหนได้เรียกพ่อครับตัวนือเขาเรียกนะให้ความเคารพในความจริงนะเขาเรียกให้ความเคารพนะพ่อหรือว่าลุงเนี่ยนะก็เหลียวดูไอ้ใครอัน เขมาเนี่ยว่าหลวงพ่อเนี่ยต้องดูมีพระ อ, อยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ามีอยู่ก็อยำนงนี่วา่าเสียอะไรก็บอกมาตอนแรกเป็นพระเด็กๆตอนนี้เป็นพระหลวงพ่อไปแล้วว่างั้นก็มันก็ชราจริงๆนะเอบางทีนะั้นมันนึือกนะไอ้นี่มันนี่มันบ่ายแล้วนะเนี่ยอ ตายแน่นี่ในตายเล่นนะเนี่ยมันจะตายจริงๆเอาเ น, นี่ยนะถ้าไม่เจริญเอาไว้ให้มากๆเนี่ยลําบากเขาบอกว่าชราเนี่ยตัวมันเองเนี่ยไม่เป็นทุกข์หรอกแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์ตัวชรานะถามว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ไหนก็คือเป็นที่ตั้งของทุกข์ในกายและทุกข์คือโทมานต์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์กายและทุกข์ใจอ่ะนะ คนชราเนี่ยนะสุขภาพกายก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอย่างหลายๆคนไปตรวจร่างกายเนี่ยมันปวดโน่นปวดนี่หมอเขาบอกปกติหมดเลยเหรอไนะหไ อ, อนนห้ปกติของหมอกับของเรามันคนละอย่างเลยปกติของหมอบอกว่าถ้าแก่ๆขนาดนี้แล้วมันก็ปวดอย่างนี้แหละมันก็ป่วยอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ตายแล้วธรรมดาจริงๆนะหมอก็รับว่าธรรมดาใช่ไหมไอ้เราบอกมันไม่ทําไม่ปกตินะเมื่อก่อนมันดีกว่านี้ก็ <c oughs> จะไปให้มันดีเท่าเดิมเหรอนะ แต่หมอก็บอกว่าปกติทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยนีปกติของหมอกับของเรานี่คนละอย่างไงปกติของหมอเขาก็ประกาศตามความเป็นจริงว่าเออเนี่ยนะอายุป่านนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้แหละคุณาภาเข้าไปตาเขาพราก็เลยคุณาภาเนี่คิดว่ามันไม่ปกติใช่ไหมไปหาหมอหมอเขาบอกปกติก็บอกเออเแก่ขนาดนี้แล้วมันก็ธรรมดาของมัน คุณมุนชูก็ปวดหูก็ไปหาหมอหมอก็บอกปกติอีก <c oughs> ก็กปกติของหูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> แต่คุณมุนชูก็บอกเออปกติเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้ <c oughs> แะแสะดงว่าปกติของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน <c oughs> มันก็พยายามนึกถึงไอ้ปกติตามเป็นจริงอ่ะนะไม่ใช่ว่าปกติเมื่อก่อนเคยสบายกว่านี้แล้วตอนนี้ทําไมมันเดือดร้อนจังเน่ยนะเพราะนะความทุกข์ทางกายเนี่ยเป็นบ่อยเนี่ย อย่างที่ไม่เคยเป็นก็จะเริ่มเป็นไอ้ที่เป็น น, น้อยๆก็จะเป็นมากขึ้นมากขึ้นก็ร่างกายเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมบางคนก็บอกว่าโหแต่ละปีเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะคุณวิชัยเนี่ยพูดบ่อยนะบอกเอ้มันไมน่มันเปลี่ยนไปเยอะนะมันนี้ไม่ได้ม า, นนะ า, าอะได้ที่หนึ่งแป๊บเดียวนะรางวัล น, นี้อยู่ได้ไม่นานอกแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อย่างรา ง, งวัลนางงามทั้งหลายมั น, มนก็อยู่แป๊บเดียวมันไม่ได้นานอะไรเขาไม่ได้ให้ใช้ตลอดไปใช่ไหมมันใช้ชั่วคราวะนะยามินิตรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมขาเรียนไปตั้งลองเล่าเวทนาให้ฟังหน่อยตอนขาเรียนไปเป็นยังไงบ้าง แต่อายุเกินสี่สิบห้ามานี่รู้สึกเปลี่ยนกันเยอะเลยเสีงก็เปลี่ยนแล้วตอนนี้ <laughs> เพราะว่าตอนนี้อย่างเช่นว่นเช้าสอนเลคเชอร์เนี่ยนูนูพูดดังๆหน่อยครูไม่ได้ยิน <laughs> <laughs> ตั้งที่ตั้งที่ปีก่อนเด็กก็ถามเสียงดังขนาด น, นี้ตอนนี้ต้องบอกให้เด็กพูดดังอีนิด <laughs> แต่งๆตงขึ้นโหนะ จะจะดูแผ่นใสจะสอนเด็กแต่เนี้ต้องสมเป็นตลอดเวลาแนละ้วแล้วก็ป่วยไข้บ่อ ย, ย, อ, ยอย่างนั่งนั่งนี่มันเมื่อยตัวตลอดเวลานะฮมันไม่ใช่สนุกเหมือนเก่า <c oughs> แล้วก็จะปวดหัวเวลาม่ก็จะเบื่อโลกเบื่อโลกบ่อยแล้วก็ปฏิกะแทรกมา <c oughs> เป็นครั้งคราวตอนเบื่อโลก <c oughs> ก็เวทนาขันมันกำมันมันชัดขึ้นชัดขึ้นเลยนะจริงจริงมันกายกายย่าภาษาทามันซติมอยู่เกือบทั่วสารพางกายใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันรูปมันดีอ่ะกายก็ดีโพธิภพก็ดีมั้นทุกขากายย่วิญญาณมันไม่เกิดนี้พอกายเสียหายโพธิภพมีปัญหาทุกขากายย่วิญญาณมันเกิดให้หมดเลย บางบางส่วนของร่างกายเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยนึกว่าอันนั้นมันมีอ่ะสิ่งนั้นมันมีอยู่ใช่ไหมนานๆเข้ามันเหมือนกับว่าแม้อาการ32มันจะเริ่มบอกมาเออฉันก็มีนะไตก็บอกฉันก็มีนะฉันอยู่ด้วยนะนีก็เริ่มทวงแล้วใช่ทวงสิทธิแล้วตับมันก็ทวงสิทธิบ้างหัวใจก็ทวงสิทธิลำไส้ก็ทวงบ่อยแล้วเกินเนื้อไงแต่ละอันก็ออกเรียงหน้ามาทวงกันหน้าดูเลยนะฉันออกออกมาเสนอตัวนะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะเนี่ย บางอย่างก็บอกได้เวลาซ่อม บ, บำรุงแล้วนะอะง้ยนะก็เจ็บปวดเจ็บป่วยอยู่นั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าแต่ละไอความจริงอันนี้เนี่ยมันมีทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมแม่ครูเป็นยังไงตอนนั้นอะ่ะจะรอดไหมเนอะแล้วก็เชื่อสั่งเสียเลยนะ เพชฌฆาดเขาจะลงดาบเวลาไหนอนะ่ะเนี่ยก็คือบัญชีรายชื่อเขาก็ประกาศแล้วใช่ไหมว่าเป็นนักโทษประหารแล้วอ่นะและ้วก็เงื้อดาบอยู่ตลอดเลยนะก็เลยว่าไม่รู้ว่าจะเชื่อดเมื่อไหรนะ่น่ะก็ดูว่าพญามัจจุราชเชื่อดเมื่อไหร่หมอยุพินเนี่ยตั้งสุกวันมาสุขภาพเป็นไงบัาง อ, าอ๋อบ้านหมุนเลยใช่ไหมอยู่ๆแล้วบ้านมันหมุนขึ้นมาเลยโอ้ ตีสามบ้านหมุนเลยนะนึกว่าแผ่นดินไหวไม่ใช่เนาะก็ทุกคนเนี่ยร่างกายมันก็เริ่มเป็นอย่างไงเนยคุณอารีสายสุขภาพดีหน่อยนะนักเรียนของมาไม่แน่อาจจะเจริญรอยตามคุณแม่แม่คุณแม่เก้าสิบกว่าแล้วนะเผื่อคุณอารีจะได้ตำแหน่งอายุยืนตามคุณแม่คุณแม่คุณอารีมีบุญมากอ่ะนะอายุเก้าสิบกว่ายังแข็งแรงอยู่เลย คำว่าแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงตามสมควรแก่เก้าสิบนะไม่ใช่ <laughs> คุณแม่คุณทเลนีเจ็ดสิบสองก็แข็งแร ง, งใช่ปวดเ ข, าดเขา่าเป็นคนยอมคนหนึ่งนะเขาก็ปวดเข่าเนี่ยเขาบอกโอ้ตังเกตก็ได้ตั้งหลายเข่าทั้งเข่าทั้ง เ, งเกีียวเกลียวกระดูกนั่นแหละที่กรุงเทพก็คน คุณนะคุณอุไ ร, รนะมาเชียงใหม่นี่เาแวะไปฉีดเข่ามานะไปฉีดยาที่เข่าไว้บอกว่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยยา ม, มันเริ่มเสื่อมแล้วเาวาง น, นมันเริ่มเอาอีกแล้วก็พยายามบำรุงมหาพูดให้ดีเลยนะเพราะเดี๋ยวจะไปเจริญกุศลปลายๆพรรษาเนี่ยก็พยายามรักษาสุขภาพหน้าดูเลยนะ ก็คนที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะหมายอารมคยาปรมาราพาเลยนะความไม่มีโรคก็นับว่าเป็นลาบอย่างยิ่งใช่ไหมแต่ว่าน้อยคนนักที่จะได้ลาบอันนี้อั้นคนที่มีสุขภาพนะอายุขนาดผู้การและขับรถเข้าออกกรุงเทพเป็นเรื่องธรรมดานี่ก็โหหายากนะขนาดเนี้ยก็ก็นับว่าเป็นผู้ที่มีมีบุญมา ก, ก น, เนะเอออย่างอย่างคุ ณ, คณอุไรเนี่ยนะ คือตลอดชีวิตนี้จะทํางานหนักมากเลยนะะจะทํางานหนักมากแกสร้างฐานะมาจนกระทั่งแกมีฐานะดีมากเลยปัจจุบันนี้นะพอมีเวลาจะศึกษาธรรมะอะไรเป็นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกัวงวลอะไรเลยสักนิดเดียวนะลูกเต่าก็โตไปหมดแล้วสามีก็อนุญาตก็เห็นดีด้วยนะศึกษามีเวลาเป็นที่เลยนะแต่ก็มันเริ่มกระสาะกระแสเนี่ยนะครับ ม, มันถึงว่าประมาทไม่ได้เลยนะอตอนนี้เนี่ย ก็เหมือนคุณบุญชูเนี่ยนะก็ไม่มีใครควบคุมแล้วตอนนี้อิสระเต็มที่นะไปพายในายมาเล่นงานแทนถึงแม้ว่าเราอายุขนาดนี้เนี่ยนะแต่เราไม่แน่ใจอีกข้างหน้าอีกกี่เดือนข้างหน้า ก, กี่ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดเนี่ยไม่รู้เลยเมื่อเราจะมาศึกษาได้อย่างนี้หรือไม่มอันนี้แหละที่เรียกว่าขณะขณะที่อินทรี่หกคือตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ย มันไม่บกพร่องไม่เสียไม่มีปัญหาเนี่ยหายากนะน่ะนะนะก็อันที่จริงนะัเกเรียนห้องเรามันก็ค่อยทยอยขาดไปเรื่อยนะขาดถาวรด้วย <c oughs> ค่อยๆเปลี่ยนกันขาดใช่ไหมขาดไปตั้งหลายคนยนะนั่นอ๋อนั่นยังนั่นยังไม่ได้ขาดถาวรป <c oughs> ้าชมเชยนี่ก็ขาดถาวรเลยลุงรอดก็ขาดถาวรเลย ก็ค่อยๆทยอยขาดกันเดี๋ยวก็โรงเรียนเดี๋ยวก็ห้องปิดนะเพราะไม่มีใครอยู่แล้วมันค่อยๆขาดกันไปอย่างนี้เรื่อยนะเยนเปลี่ยนๆกันขาดไปนี่ธรรมดา จ, จริงเพราะว่าขณะที่จะอินทรีย์มันประชุมกันพร้อมเนี่ยนะชวนตางเกสอนไปฟังธทำก็ไม่ได้บอกนั่งนานไม่ได้ขามันปวดอะไงี้นนี่เห็นว่าไม่เคยเป็นเลยบอกเออธรรมดานี่แหละมันจะเคยแล้วมันค่อยๆเคยไปทีละอย่างทีละอย่างนี่แหะ เคยสุขภาพดีเนี่ยนะมันก็เริ่มมีปัญหาอย่างนี้แหละเราดูท่านอาจารย์หรือหลวงพ่อของเราดูปกตินี่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตัดแว่นมาแล้วใครมีใครไม่รู้หรอกนี่นะแต่ว่าดูดูซิไปเดี๋มันปวดที่สะเนี่ยมันปวดเนี่ยเออมมันสังเกตมาวันวันพฤหัสวันวันพฤหัสวันศุกร์นะเอ๊ะทำไมมันเมื่อยบ่ามาก มันเมื่อยเมื่อยไปข้างหลังเนี่ยนีต้นคอมันก็รู้มันเมื่อยเอยทําไมมันเมื่ อ, เอยเราไปทําอะไรมาเนี่ยมันเมื่อยก็ไปตัดแว่นสั้นหน่อยร้อยกว่านั่นคือถ้าอ่านหนังสือหนักๆเนี่ยมันจะรู้แต่ถ้าไม่ค่อยอ่านมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอย่างนี้นะดูเนี่ยดูจะพระ่าๆเลยอย่างเห็นหน้าอาจารย์ทําเนี่ยก็เห็นพร่าๆเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าใส่แว่นมันจะชัดนั่ น, น มันตอนนี้ยังไม่กล้าตายเดี๋ยวชารามันจะปากกดมากกว่ น, นี้แล้วก็อันนี้ชัดมากเลยท่านบอกว่าอัตภาพของคนชาราแล้วย่อมทุรพลทุระเนี่ยแปละว่าชั่วพละพลพลมาจากภละทุรพลแปละว่าอ่อนกําลังคือมันไม่มีแร ง, งอ่ะนะ หมดเรี่ยวหมดแรงเคยร่างกายเนี่ยเคยจะลุกจะเหินจะเดินก็คล่องไปหมดเลยใช่ไหมตอนนี้คล่องไหมเนี่ยนะไม่ได้แล้วก็ขับเกลงกเพกแล้วนะก็คุณหมออินทอน์นี่ก็โอ้ประกาศสัจจะให้เห็นชัดมากนะนะขนาดนั้นยังขับรถไปฟังทำได้นะโอ้โเก่งมากเลยนักเรียนมาก่อนเพื่อนนิดนะนักเรียนที่มาเร็วกว่าเพื่อนเลยนะโอ้โหเจอสังขารทั้งหลายมันก็อย่างนี้แหละเพราะทุกคนก็ไม่ใช่จะหลีกพ้นอ่ะนะ